กราบขอโอกาสจากพระจันทร์ทรงศิลป์นนะกราบขอโอกาสจากพระจันทร์มัฒ น, นชัยกราบขอโอกาสจากพระจันทร์สุริมก็ขอโอกาสจากเพื่อนสาธมิกเจริญพรพวกเราแมช่ชีแล้วก็ยัดยมเนาะบาสกอุบาสิกาก็เรามาปฏิบัติธรรมกันสิ่งที่ สิ่งที่เราต้องทำก็คือมาเนาะมาทำเปลี่ยนการฟังเนาะเป็นการทำตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคล น, นั้นสูงสุดเนาะเมื่อกี้เราก็สวดมงคลสามสิบแปดมาเราอาจจะจำข้ออื่นไม่ได้เนาะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยพระุทธเจ้าก็บอกบอกว่าถ้าเราทำเนาะ เรื่องต่างๆนันๆนนเรื่องดีๆทั้งหลายแหล่เนี่ยให้มันมีในตัวเรานะได้แล้วอันนั้นละจะเป็นมงคลอันสูงสุดคือฟังจําได้กะจำได้แล้วก็ทําได้ก็ไม่เหมือนกันเพราะเนื่องจากว่าจําได้มันยังไม่ได้ลงมือทำเนาะแต่ถ้าหากว่าลงมือทําเมื่อไหร่ตรงนั้นก็จะเป็นผลนี่ก็คือสิ่งที่เราเป็นเขาเรียกว่าเป็นภารกิจของพวกเราเนาะว่าเรื่องธรรมะ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ไม่ใช่เป็นชีวิตประจำวันเพราะชีวิตประจำวันเราปกติเราก็จะทำงานทำการเนาะเราก็จะมีความจำจากการที่เราได้เรียนเรียนวิชาโู้นเรียนวิชานี้เราก็เรียนเพื่อที่จะเป็นนักหนังสือพิมพ์เรียนที่จะเป็นนักนู่นนักนี่เรืงต่างๆเราก็จำความรู้ตรงนั้นได้เราก็เอาความรู้ตรงนั้นไปทาความรู้ตรงนั้นไปทาเสร็จล้วก็ได้รับ เงินเดือนเป็นการตอบแทนแต่ว่าการฟังธรรมก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราเองเราก็ต้องเราก็ต้องทำแต่ว่าการฟังธรรมกับการเรียกว่าการทํางานมันก็จะประสานกันไปได้เนื่องจากว่าการทํางานเป็นเรื่องของการทําทางกายแต่ว่าเรื่องการฟังธรรมเป็นเรื่องของการทํำดางใจเนาะตรงเนี้มันเป็นสิ่งที่พอเราแยก เรื่องราวของกายออกไปกับเรื่องราวของใจออกไปเป็นส่วนๆเราก็จะทํางานถูกกันเราก็จะทําขนานกันไปได้เรื่องของกายก็ทําไปเรื่องของใจก็ทําไปตรงนี้ยจะเป็นสิ่งที่เรามาหัดที่นี่เราหัดทำเนาะเปลี่ยนเนาะจากการกายว่าการทําทางกายมาเป็นการทําทางใจเปลี่ยนจากการที่เราเนาะ ทำทางใจอยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่ทันได้ได้รู้ว่าเราก็คิดนู่นคิดนี่วุ่นวายอยู่ในขณะที่เราก็ทำงานอยู่ปกติแต่ว่าการคิดนู่นคิดนี่ที่เราคิดอยู่มันเป็นเรื่องเาเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่เราทำไปตามความเคยชินนั่นนั่นคือตรงนั้นก็เป็นนิสัยอันหนึ่งเพราะเป็นนิสัยเนาะเราก็ติดอย่างเงี้ยอย่างนั้นนี่นั่นคือตรงนั้นนั่นเป็นนิสัยก็เป็นนิสัยเก่าของเรา เป็นนิสัยที่พอทําไปแล้วพอเราคิดนู่นคิดนี่ก็วุ่นวายไปหมดเนาะทําไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นทําไมคนนี้เป็นอย่างนี้ตรงเนี้ก็เป็นสิ่งที่ชีวิตเราก็มักจะมองหาข้อเขาเรียกว่าที่มันดูแล้วมันก็ดูไม่เหมาะเนาะแต่นี้ว่าในขณะที่เราก็มองมองคนอื่นคนอื่นทั้งโลกก็มีเป็นร้อยเป็นล้านเนาะอย่างนั้นคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นคนนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็เยอะแยะไปหมดเลยอย่างเงี้ย แต่ว่ารเราล่ะเราควรจะต้องทําอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างนั้นเราก็พอได้รู้นะอันนั้นก็คือไม่ดีอันนี้ก็คือไม่ดีใช่ไหมขณะที่เรารู้ว่าอันนั้นก็คือไม่ดีอันนี้ก็คือไม่ดีเราก็มีความรู้อีกอันนึงก็คือมันดีมันเป็นแบบไหนเราก็รู้อยู่แต่ว่าสิ่งที่พอเราไปให้เวลากับการดูภายนอกเนี่ยเราเองไม่ได้เวลาให้มาดูกับสิ่งที่อยู่ในใจเราตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่นั่นคือ เป็นสิ่งที่เราพลาดโอกาสไปในขณะที่เรากำลังคิดเนาะว่าอันนั้นไม่ดีตรงนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเรียกว่ามันเกิดเขาเรียกว่าเกิดใจเนาะที่ไม่เป็นกุศลเพราะว่าเราไปคิดตำหนิคนอื่ น, เ, นเราจะเปลี่ยนใจที่ไม่เป็นกุศลให้เป็นกุศลได้ยังไงตรงเนี้ยเนาะเป็นสิ่งที่เราเองเราก็ต้องเหมือนกับว่าเมื่อมมีสิ่งที่ไม่เป็นกุศลเราก็ต้องลบเนาะออกไปตรงเนี้ย การที่เราจะลบสิ่งที่ไม่เป็นกุศลออกไปตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เราที่นี่เนาะหลวงพ่อคำเขียนเรียกว่าเปลี่ยนหลงเนาะหลงไปคิดเนาะเป็นอกุศลเนี่ยเปลี่ยนเป็นเนาะสิ่งที่เป็นกุศลจะลบทิ้งไปตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องหัดทำกันถ้าเราถัดหัดทำได้เนี่ยใจเราก็จะไม่เป็นกุศลไม่เป็นก็เรียกว่าไม่เป็นอกุศลเนาะจะกลายเป็นกุศล นี่คือสิ่งที่เ็าเรียกว่าเราเรามาปฏิบัติทำกันตัวนี้ก็เพื่อหัดหัดเรื่องนี้หัดหัดการที่เราจะใช้สติเป็นยังลบตรงนี้เนาะเป็นสิ่งที่เราเราต้องหัดกันเพียงแค่เรามีสติกลับมารู้เพียงแค่เรามีสติกลับมารู้เนี่ยการกลับมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยการที่จะหลงไปก็หมดไปเลย mm. เหมือนกันเรากำลังเดินหน้าพอเราหันหลังกลับปุ๊บเนี่ย มันก็หยุดการเดินไปข้างหน้าการเดินไปข้างหน้าที่เราจะหลงไปข้างหน้าก็จบลงทันทีหันกลับมาสู่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามทันทีตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้แต่ว่าในขณะที่กายเราเดินไปข้างหน้าเนาะเราอาจจะต้องเหมือนกับว่าใช้แรงในการที่เราหมุนตัวกลับมาตรงนั้นก็เหมือนกับเวลาที่เราจงกรมเนาะใช่ัอย่างนั้นอย่างเนี้ยตัวนี้ถ้าเราจะหยุดเนาะหยุด เพราะว่ามันเป็นสุดทางจงกรมเนี่ยแล้วเรากลับตัวเนี่ยตรงนั้นก็เหมือนกันแต่ว่านั่นคือสิ่งที่เราเขาเรียกว่าเราก็ยังต้องใช้แรงเนาะอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทําในใจเราเนี่ยจักทําในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่เนี่ยซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันง่ายกว่าเยอะเลยเนาะอย่างนั้นไม่เสียเวลาอะไรเลย แต่ตรงนี้ก็เราเองเนี่ยเราต้องเราต้องทําต้องหัดทํากันหลวงพ่อเขียนก็จะมีภาษาเนาะที่เรียกว่าภาษาที่ใช้เนาะกับการเรียกว่ากับการปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายอย่างเพื่อให้เราได้ได้มองเห็นเนาะการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราตรงนี้หลวงพ่อเขียนบางทีก็เหมือนกับบอกบอกว่าเวลาที่เรายอมผ้าเนาะใช่ไหมอย่างเนี้ย ผ้าสะอาดๆอาดอยู่เนาะแล้วประจุมสีย้อมอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างนั้ น, นสีย้อมก็จะติดเข้ามาอยู่ในผ้าพอติดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เวลาซักก็ซักไม่ออกแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้นะก็เปลี่ยนจากผ้าสีหนึ่งเป็นผ้าอีกสีหนึ่งตรงเนี้ยก็เหมือนกันหลวมผ้าก็จะพูดถึงการจุ่มและการติดเนาะนั่นคือการลงมือทํำแล้วก็การติดเป็นนิสัยใหม่ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมก็ เป็นเป็นเรื่องเท่านี้เองเนาะก็คือเป็นการที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนจากนิสัยที่เราเคยเนาะเขาเรียกว่าเคยไปเอาใจใส่กับเรื่องข้างนอกนอกตัวเนี่ยเปลี่ยนเป็นกลับมาเอาใจใส่กับเรื่องที่มันมีอยู่ในตัวเราธรรมะเนาะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเรากับใจเราเวลาที่เรามองออกไปข้างนอกมันก็เป็นธรรมะเหมือนกัน แต่มันเป็นเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของต้นไม้ใบหญ้าเป็นเรื่องของคนนั้นคนนี้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีนิสัยใหม่เนาะติดนิสัยที่จะเอาสติกลับมามองสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจเรามันก็จะทาให้เราเห็นธรรมะที่เกิดขึ้นในกายในใจเราตรงนี้เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเราก็เริ่มต้นจากการที่เราหัดเนาะเราหัด มีกายเคลื่อนไหวมีใจมาคอยรับรู้มีกายเคลื่อนไหวมีใจมาคอยรับร nice. ู้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราก็หัดดูนะหัดดูมาแต่แรกเราดูเราก็จะเห็นดูกายก็เห็นกายดูใจก็เห็นใจตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราก็ทำกันหัดทำสองอย่างนี้ดูกายก็เห็นกายดูดูใจก็เห็นใจ ตรงเนี้ยพอดูดูก็จะเห็นเห็นรายละเอียดต่างๆตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราแต่ละคนแต่ละคนก็เคยดูเริ่มดูอะไรสักอย่างแล้วก็เห็นรายละเอียดต่างๆนานาเหล่านั้นดูอะไรสักอย่างแล้วก็เห็นรายละเอียดต่างๆนานาเหล่านั้นพวกเราเคยสังเกตเนาะแต่ละคนแต่ละคนก็จะมีความชำนาญเนาะความชอบแต่ละยอย่างแต่ละอย่างต่างๆกันเพราะว่าเราเริ่มต้นจากการที่เราเริ่มดูสิ่งใดสิ่งหนึ่ง พอดูเราก็จะรู้จักเนาะพอดูเราก็จะรู้จักมากขึ้นมากขึ้นการที่เรารู้จักมากขึ้นมากขึ้นเห็นมากขึ้นมากขึ้นตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความรู้เกิดความชำนาญในเรื่องนั้นนั้นนั่นัคือตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ชีวิตเราก็ดาเนินมาแบบนี้นะตั้งแต่เล็กจนตโตคนนี้ก็เย็บปักตักร้อยเก่งคนนี้ก็ทากับข้าวเก่งคนนั้นก็ทาเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เก่งคนนี้นก็ทาเรื่อง จะมาเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างนานาแล่านี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนแต่ละคนได้สะสมการดูเนาะการดูการดูแต่ละครั้งการดูแต่ละครั้งเนาะตรงนี้เนี่ยพอเราดูแต่ละครั้งมันก็เกิดก็เรียกว่าเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดความรู้ความเข้าใจมันก็จะเกิดเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ามีฉันทะเนาะจะมาอย่างเงี้ยตรงนั้นเป็นความชอบเนาะที่เราเองเราก็เหมือนกับก็เรียกว่าอ บางทีก็ตัวเราเองก็ชอบบางทีคนอื่นรอบๆข้างก็มาชื่นชมเราอ๋ออันนี้เราทําอันนี้เก่งเนาะพอเวลาที่มีคนชื่นชมแบบนี้เราเองแล้วก็เหมือนกับว่าก็ให้เวลากับเรื่องราวต่างๆที่เรารู้เราชํานาญได้มากขึ้นมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ชีวิตเราก็ดําเนินมาทําให้แต่ละคนแต่ละคนก็มีความรู้ความชํานาญต่างๆเกิดจากการดูพอเกิดการดูก็เห็นเนาะ เห็นแล้วก so, ็ท so, like so, ําเป็นอย่างนั้นตัวนั้นเข้าใจตรงเนี้ยการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราเริ่มต้นจากการดูเป็นครั้งครั้งเป็นคั้งครั้งเรามาทําในวัดเนาะอ๋อองก็ทําอย่างนี้นี่เองตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เราเองก็พอรู้ว่าทําอย่างนี้อ๋เป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยนึงแต่สิ่งที่คําว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยบางทีก็คือหมายถึงวาผลนะที่เกิดขึ้นกับการที่เราทําอยู่ในวัด เราพบว่าเออนี่เรามาวัดสามวันห้าวันเราก็พบว่าเออนี่จิตใจเราก็โปล่งลงเบาขึ้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นผลเนาะของการการะทำแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าผลของการที่เราปฏิบัติแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นความยุ่งยากในใจคำว่าโปร่งลงเบาขึ้นมันก็เปรียบเทียบกับการที่เมื่อก่อนเราอยู่ข้างนอกชีวิตมันดูวุ่นวายเนาะมีอะไรเยอะยะไปหมดเลยแต่เวลาอยู่ในวัดเนี่ย เราทำความรู้สึกตัวเป็นครัง้งครครั้งๆไปเราก็มีความรู้สึกว่าเออชีวิตเราก็ความวุ่นวายเนะาะเมื่อวานนี้มาลืนนี้มันก็หายไปตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราได้สังเกตเห็นเนี่ยเราก็จะได้กลับมาดูว่าโอ้นี่นี่คือสิ่งที่เราเองเนี่ยเป็นเพราะว่าเราหัดกลับมารู้สึกตัวเราจะบอกว่าโอ้เราก็รู้บ้างหลงบ้างบางทีงมันก็ฟุ้งซ่านไปบ้างอะไรต่างนานาแล้วนั้นแต่นั่นสิ่งที่เรากําลังพูดอยู่มันก็เป็นสิ่งที่ เสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเมื่อตาเนี่ยไปกระทบรูปเราเห็นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในใจก็คือความชอบความไม่ชอบที่ตามมาตรงนั้นก็เป็นนิสัยเนาะเขาเรียกว่าเป็นนิสัยไม่ใช่ว่าดูเฉยๆแล้วอันนั้นก็เรียกว่าดูแล้วก็ดูไปคิดไปด้วยตรงนี้หลวงพ่อเทียนก็จะบอกผมว่าอันนั้นไม่ใช่รู้ซื่อๆนะอย่างนั้นนั่นหมายถึงว่าเราหลงไปแล้วละ่ะ พอดูปุ๊บก็คิดชอบคิดชังอันนั้นเป็นนิสัยเก่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยพอดูปุ๊บเราจะเปลี่ยนนิสัยใหม่เป็นว่ากลับมาดูความเป็นไปในใจเราเนาะอย่างนี้ว่าโ อ, อ้ใจเราเป็นยังไงดูอันนี้แล้วชอบนะดูอันนั้นแล้ชังนะตรงเนี้ยอันนี้ยเขาเรียกว่าเราเริ่มกลับมารู้ความจริงเนาะในใจเราเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องหัดกันพอเรารู้ความจริงในใจเราก็จบลงเนาะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วโอ้เราเข้าไปคิด A A A A A, เอเออาร์อะไรอ่างนั้นขณะนั้นเราก็เรียกว่าไม่รู้ซื่อๆอีกล้เราพลาดเวลาของก็เรียกว่าปัจจุบันขณะไปอีกละณขณะนั้นมันอาจจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราอีกแล้วแต่ว่าเราเผลอไปคิดอีกและตรงนั้นในขณะที่เราเผลอไปคิดเราก็อยู่กับเขาเรียกว่าปัจจุบันขณะนั้นอย่างไม่เขาเรียกว่าอย่างไม่ดีเพราะเนื่องจากว่าเรากําลังคิด คิดที่เป็นเรื่องเราเกิดเรากําลังเดินข้ามถนนอยู่อย่างเงี้ยเนาะเราไปคิดนู่นคิดนี่เราไม่สนใจรถเนี่ยเราก็แย่แล้วนะอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นตรงเนี้ยเนาะเป็นเป็นสิ่งที่พอเวลาที่รู้ปุ๊บแล้วก็คิดปับ๊บรู้ปุ๊บแล้วก็คิดปับ๊บตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราสังเกตเนาะเราจะพบว่านี่แหละเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นความเคยชินของเราแล้วก็เราก็สูญเสียเขาเรียกว่าปัจจุบันขณะไปเพราะว่าสิ่งที่คิด มันเป็นสิ่งทีเ่เป็นสิ่งที่เป็นความเคยชินของเราในขณะที่เราคิดเราก็ลืมความจริงที่เกิดขึ้นข้างหน้าเราเวลาที่เราเป็นนักเรียนเนาะเวลาที่ครูสั่งให้ทำอนุนทำ น, นี้อะไรเงี้ยเนาะพอครูสั่งปุ๊บเราก็อ๋อครับครับครับในขณะที่เราอ๋อครครับครบครูก็พูดอะไรอีกไปอีก 2- อสาอย่างแต่เราก็ไม่ทันได้ยินพอครูพูดจบก็อืออะไรนะครับเมื่อกี้คุณครูพูดว่าอะไรอย่างเนี้ยเนาะอย่างนั้น นั่นก็คือสิ่งที่เป็นนิสัยที่เราเคยทำกันฟังไปคิดไปอะไรต่างๆนานาเหล่านี้แต่ว่านั่นคือในขณะที่เราเสียเวลาไปคิดเราก็เสียเวลาอันหนึ่งเหมือนกันเราก็ลืมฟังรายละเอียดต่างๆที่ครูบอกตรงนี้ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยมาเราคุ้นเคยมาแต่เล็กฟังไปคิดไปดูไปคิดไปอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ ตรงนี้เป็นสิ่งที่เวลาการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือให้เราเนาะแบบว่าสร้างความเคยชินใหม่กลับมาทําให้มันติดเนาะติดกับการสิ่งที่เราเรียกว่าพอได้ยินได้ฟังปุ๊บเนี่ยกลับมาเนาะเห็นธรรมะที่เกิดขึ้นในใจเราเราก็จะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าฟังไปเห็นธรรมไปแล้วเราดูไปปุ๊บเนี่ยเราก็กลับมาดูใน ส, สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจเราเราก็จะเรียกว่าดูไปก็เห็นธรรมไป เห็นข้างนอกก็เห็นแล้วเรียกว่าเห็นแล้วแต่ว่าสติก็จะมาเห็นธรรมในใจเราเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยเนาะการเห็นธรรมเนี่ยทําอะไรก็ตามก็รู้ทำไปดูอะไรก็ตามก็เห็นทำไปก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติของเราจากการที่เราหัดเป็นครั้งครั้งหัดรู้เป็นครั้งครั้งหัดรู้เป็นครั้งครั้งหัดรู้กับการที่รู้ที่กายก็ได้รู้ที่ใจก็ได้ตรงนี้แหละตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ สติเนาะจะเปลี่ยนเนาะจากการที่เราหลงไปรู้เรื่องข้างนอกเนี่ยกลับมาเป็นรู้เรื่องของตัวเรารู้เรื่องที่กายเรารู้เรื่องที่ใจเราแล้วพเวลาที่เรารู้เป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็จะไม่สับสนนะเพราะว่าเวลาที่คิดเนี่ยมันก็คิดเรื่องราวอะเยอะแยะไปหมดเลยแต่รู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เองเดี๋ยวนี้เองเนี่ยจะเป็นการรู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวเราจะไม่สับสนไม่เอะไม่อะไอ้นู่นเอะไอ้นู่นเป็นยังไงเอะไอ้นี่เป็นยังไง บางทีเราก็คิดไปสิ่งที่ทเราไม่เห็นสิ่งที่เราไม่รู้แต่ก็คิดคิดไปเรื่องราวต่างๆนานาตรงนี้เป็นสิ่งที่เ็าเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ความคิดเนาะเรียกว่ายั่งเนาะยั่งความจริงที่เราจะสัมผัสได้จากสิ่งที่เรามีจะเป็นตาหูจมู alley, ลกลิ้นกายใจอะไรก็ตามที่เรามีเนี่ยสิ่งที่เราจะสัมผัสได้ณนะขณะนั้นณนะขณะนั้นเนี่ย ก็จะถูกเขาเรียกว่าเวลาของความคิดเนี่ยแย่งไปก็เมื่อสองวันก่อนก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับนักศึกษาเนาะที่เข้ามาเขาเรียกว่ามาเข้าค่ายมาเข้าค่ายเขาเรีย ก, กว่าประกวดวาดรูปกันก็มีการเอานักศึกษามามา อยู่ร่วมกันเป็นเวลาสิวันนะใน10วันเนี่ยพวกเขาจะต้องสร้างผลงานหนึ่งชิ้นขึ้นมานะให้เสร็จเนี่ยตนะั้งแต่ต้นจนจบกฎว่าวันที่ไปนี้ก็เป็นวันที่4เนาะบางคนก็เขาเรียกว่าบนเฟรมวาดรูปเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเลยเนาะบางคนบนเฟรมวาดรูปก็มีสีเต็มแล้วนะต่างๆ ต, ตรงเนี้ยนะก็เกิดขึ้นจากการที่ บางคนก็ยังสี่วันที่ผ่านมาก็ยังคิดไม่ตกนะว่าจะทำอะไรดีเนาะอีกคนหนึ่งเนาะก็คิดตกแล้วเนาะก็ลงมือทำานอย่างนี้แต่นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่ทำตรงนั้นก็เห็นนะว่าสีที่เต็มเนาะก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่านั่นคือเขาก็ได้ลงมือแล้วเนาะ ผูกก so, ันแรกก็ลงไปแล้วผูกกันท e ี crazy, ่สองก็ลงไปแล้วผูกกันที่สมก็ลงไปแล้วพอลงไปแล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าคล้ายๆว่าก็สามารถที่จะแต้มเติมต่อไปตรงนี้ขาดรายละเอียดอันนั้นตรงนั้นขาดรายละเอียดอรงไหนตรงนี้เนี่ยงานการมันก็เดินไปเดินไปเดินไปแต่ขณะที่อีกคนหนึ่งก็เรียกว่ายังคิดไม่ตกนะคาว่ายังคิดไม่ตกก็คือยังยังมัวแต่คิดอยู่ยังไม่ลงมือทําเนี่ยตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ สีเนาะก็เรียกว่าที่จะไปแต้มอยู่บนบนเฟรมเนี่ยก็ยังไม่มีเนี่ยตรงเนี้ยพวกเราได้ได้เคยคิดไหมว่าเอ๊ะในขณะที่เรากําลังคิดอยู่เนี่ยเนาะอย่างนั้นเนี่ยเราก็เรียกว่าขาดการลงมือทําอันนั้นก็เป็นสิ่งที่แบบเรียกว่าในการประกรวดวานรูปใช่ไหมก็าอาจจะมีสิ่งที่มีวันเวลาที่กําหนดแน่นอนเนาะมันทําให้เราเห็นมาโอ้อนี่สี่วันผ่านไปแล้วเนี่ย เฟรมเนี่ยยังขาวอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่ในขณะที่อีกคนหนึ่งเนาะใช่ไหมไม่มัวแต่คิดเนาะลงมือทําเลยผลงานก็เกิดขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่าในขณะที่พวกเราเนี่ยไม่ได้คิดถึงเวลาที่เราสูญเสียเวลากับการคิดไปนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเนี่ยใช่ไหมเผลอไปคิดเผลอไปคิดเผลอไปคิดตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราคิดว่าตรงนั้นเป็นเฟรมเนาะใช่ไหมอย่างเงี้ยพอเราเผลอไปคิดปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้ลงมือทํา พอเราเผลอไปคิดปุ๊บหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่ได้ลงมือทําทํานองเดียวกันเนี่ยถ้าเรากลับมารู้ครั้งหนึ่งเนาะก็เหมือนกับเราแต้มสีไปครั้งหนึ่งกลับมารูบครั้งหนึ่งแล้วก็แต้มสีไปครั้งหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่ย่างนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลอย่างเงี้ยอย่างนั้นผลเนาะเราแต้มสีครั้งหนึ่งเฟรมก็มีสีเพิ่มขึ้นอันหนึ่งตรงนี้ในการที่เรารู้สึกตัวครั้งหนึ่งรู้สึกตัวครั้งหนึ่งก็จะมีผลแบบนั้นแต่ขณะที่เรากําลังจมอยยู่่คความิดเนี เขไม่เกิดอะไรขึ้นเขาเรียกว่าเกิดสิ่งที่เรียกว่าเวลาก็หมดไปหมดไปหมดไ ป, ดไปนี่นพอเวลาหมดไปหมดไปหมดไปเกิดอะไรขึ้นเนาะอุ้ยใช่ไหมเวลาที่กําลังจะใกล้ส่งก็เกิดขึ้นก็เกิดอะไรใช่ไหมก็เรียกว่าก็เกิดความคิดที่สับสนเพิ่มเติมขึ้นมาละล้าละลังบ้างอะไรบ้างอะไรต่างๆนานาบ้างตรงเนี้ยเนาะก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเนี่ยถ้าเรามองเห็นโลกย่อๆเนะ ที่มันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องราวหนึ่งเนี่ยพอเรากลับมาเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่าชีวิตเราก็เหมือนกันชีวิตเราก็มีเวลาเหมือนกันเนาะเวลาที่เราเกิดขึ้นมาแล้วก็เวลาที่เราก็ต้องจากไปอย่างเงี้ยนั้นพอเวลาที่เวลาจากไปใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นสิ่งที่ควรทํายังไม่ได้ทำเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เราเกิดอะไรเกิดความลาล้าหลังใช่ไหม เกิดความก็เรียกว่าความเสียดายความเป็นห่วงไอ้นู่นไอ้นี่เยอะแยะไปหมดที่เกิดขึ้นในใจเรานั่นนั่นคือถึงเวลาที่เราจะต้องแบบว่าจบชีวิตลงจะต้องตายให้ตาหลับตรงเนี้ยตามันก็หลับไม่ลงนะว่าความห่วงเนาะก็ยังมีเนาะไอ้นู่นก็ยังไม่ได้ทำไอ้นี่ก็ยังไม่ได้ทำไอ้นั่นก็ยังไม่เสร็จอันี้ก็ยังไม่เสร็จเหลืออะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าทางพระพุทธเจ้าเองก็ได้ถามเหมือนกันนะว่า กิจที่เราควรทำเนี่ยเราได้ทําแล้วหรื อ, อยังตรงเนี้ยนะกิจที่เราควรทําได้ทําแล้วหรื อ, อยังใช่ไหมพระเจ้าบอกว่ากิจที่ควรทําน่ะพระพุทธเจ้าทําเสร็จแล้วนะไม่มีกิจอื่นเนาะใช่ไหมที่ต้องทําอีกแล้วอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็คือสิ่งที่ชีวิตเราเนี่ยเราเกิดมาเนาะเราก็ได้โตมาทำไอ้นู่นทำไอ้นี่มาเยอะแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ควรทำเนี่ยเราได้ทําแล้วหรื อ, อยัง สิ่งที่ควรทําไม่ได้ทําเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีสิ่งที่เราเรียกว่าการที่เราอยากทำเนาะเราก็ทำไอ้นั้นเราก็ทำไอ้นี้แต่สิ่งที่ควรทํากับสิ่งที่อยากทําไม่เหมือนกันอย่างนี้อย่างนั้นดังนั้นคือตรงนี้เนี่ยพวกเราเราสังเกตดูนะว่าเวลาที่เสียเวลาไปวันๆหนึ่งเนี่ยเราเสียเวลาเวลาไปกับการอยากทําเนี่ยใช่ไหมหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราเห็นว่าเอ๊ะนี่ เรากำลังเริ่มต้นจากการอยากทำยังไม่นิดหนึ่งนะถ้าเรายังไม่นิดหนึ่งเนี่ยไอสิ่งที่จะเข้ามาแทนก็คือมัธสติก็จะเข้ามานะอสิ่งนี้ที่เรากำลังอยากทำเป็นสิ่งที่ควรทำหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราคิดได้เนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่เสียเวลากับสิ่งที่เราอยากทำตรงนี้เป็นสิ่งที่ความอยากเนี่ยกับความสมควรเนี่ยจะเป็นคนละอย่างกันความอยากมันเป็นตัณหาความสมควรมันเป็นสติ นั่นก็คือตรงนี้เนี่ย the Jasmine, พอเรามีสติเนาะที่จะกลับมาเราก็จะมีสติที่จะกลับมาดูความเป็นไปในกายเราดูความเป็นไปในใจเราตรงเนี้จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราหัดทําเรื่องนี้กันเราหัดทําเรื่องนี้กันให้ติดเป็นนิสัยเหมือนกับเราย่อมผ้าเนาะให้ติดสีใดสีหนึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นภ า, ารกิจของการปฏิบัติธรรมของเราเราปฏิบัติธรรมกันแบบนี้เนาะหัด ให้ติดปนนิสัยหัดให้ติดการที่เราจะมีสติกลับมาดูความเป็นไปในกายเราในใจเราสติตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าการรู้แต่ละครั้งรู้แต่ละครั้งรู้แต่ละครั้งของเราก็จะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราก็จะเพิ่มพูนความแข็งขันของสติเราจะเพิ่มพูนความตั้งมั่นของสติเราพอเวลาที่เรามีสติเนาะ แล้วก็เราก็มีความตั้งมั่นเนาะที่จะดูกลับเข้ามาเนี่ยตรงนี้ความตั้งมั่นเนาะก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสมาธิด้วยพอเรามีสติแล้วก็มีสมาธิเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยอย่างดีเป็นเวลาเขาเรียกว่าเป็นเวลาที่ยาวนานขึ้นไม่ใช่ทำปั๊บแป๊บปั๊บแป๊บแล้วก็หมดไปทำปั๊บแป๊บปั๊บแป๊บแล้วก็หมดไปจากการรู้แต่ละครั้งแต่ละครั้งของเรา มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นคุณภาพใหม่เนาะพรเวลาเราดูเราเห็นเห็นสิ่งต่างๆนั้นที่ต่อเนื่องกันเราก็จะรู้เรื่องเหมือนกับมีหนังเรื่องหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าเราทํานู่นทํานีน่ไปเหลียวมองบ้างเดี๋ยวทํานู่นทํานีน่ไปเหลียวมองบ้างเนี่ยเรื่องราวของหนังอันนั้นเราก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจ แต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติที่จะตั้งใจดูมีสมาธิที่จะดูเขาเนาะอย่างเงี้ยดูอย่างตั้งอกตั้งใจตาก็ดูด้วยใจก็ดูด้วยตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราทาอย่างนั้นเนี่ยอ้อหนังเรื่องนี้เรื่องแบบไหนโอออเราก็ดูแล้วเข้าใจแล้วเขาอยากบอกอะไรอะไรต่างๆนานาตรงเนี้ยเนาะก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่านี่คือสิ่งที่จะเป็นพัฒนาการเนาะของจากการที่เราเนาะทไปทาแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้ง พอทําไปยาวนานเข้าเนาะจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าดูแล้วก็เห็นเห็นแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นอย่างที่เขาเรียกว่าอย่างที่หลวงพ่อคํำเขียนเนาะจะบอกอยู่เสมอๆนะตรงนี้ดูเนาะดูก็จะเห็นเห็นแล้วก็จะไม่เข้าไปเป็นอย่างเมื่อก่อนเนาะเขาเรียกว่านั่งทำวัดอยู่เนาะทำวัดอยู่เวลาที่ทำวัดอยู่เนาะก็ใส่ตาเนาะ ก็จะมองไปเห็นลายไม้ที่พื้นอ๋อไม้อันนี้ลายไม้ต่างจากไม้อันนี้เนาะอย่างนั้นอ๋อแผ่นนี้มันเป็นไม้อย่างนึงแผ่นนี้มันเป็นไม้อีกอย่างหนึ่งอะไรต่างๆนานาเหล่านั้นตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าพอเราดูเนาะดูไปดูไปสิ่งที่เราดูเนาะก็เป็นสิ่งที่เราก็เห็นอ๋อนี่ไม้แผ่นนี้เป็นแบบนี้ไม้แผ่นนี้เป็นแบบนี้ไม้แผ่นนี้ขาวกว่าลายสวยกว่า ลายชัดเจนกว่าในนันตานาแต่ว่านั่นคือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าในขณะที่เรากําลังสวดมนต์อยู่อันนี้ก็ไม่ใช่คนอื่นนะเรานี่ก็คือหลวงพ่อเองนะหลวงพ่อเองกําลังสวดมนต์อยู่สมาธิก็ไม่มีสมาธิอยู่กับการสวดมนต์ใช่ไหมก็ไป ม, มีสมาธิกับการดูลายไม้ตรงนั้นตรงนี้เราก็รู้นะว่าเออนี่ท้ายสุดผ่านการดูของเราเราก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆแต่เพิ่ก็เป็นเห็นเรื่องนอกตัวไปหมดเหมือนกันอะไรองี้ แล้วัดน like ั this, affects, ้นก็คือเป็นสิ่งที่พอเวลาที่เรามองเนาะเรามองเรื่องแบบนี้เราเห็นพัฒนาการแบบนี้เนี่ยการที่เราจะมาเพิ่มเติมเนาะสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสติเนาะแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันก็จะทำให้เรามีมีก็เรียกว่าติดเนาะติดที่จะมารู้สึกตัวติดที่จะมารู้สึกตัวเราก็จะเห็นสิ่งที่เป็นเรื่องในตัวของเราพอเราเห็นเรื่องในตัวของเราเราก็จะค่อยๆเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นมากขึ้น ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เมื่อก่อนเนะาะเพ่อเองก็จะเป็นคนที่พูดอยู่เสมอๆไม่เข้าใจตัวเองเลยนะเป็นยังไงบอกเพื่อนนะอธิบายทีนึงเราเป็นคนแบบไหนกันอะไรอย่างนี้นะก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับก็เป็นเรื่องที่เป็นคำพูดบทสนทนาที่พูดอยู่เสมอๆแต่ว่าเราก็ไม่มีสตินะว่านี้เราทำไมจะต้องไปถามเรื่องตัวเองนะกับคนอื่นแล้วคนอื่นก็จะรู้ได้ยังไงบางทีเราก็มีความคิดแว บ, บๆนะเหมือนกันว่า เออพอเวลาที่เราถามคําถามนี้ไปเขาจะรู้ได้ยังไงเราเองสิต้องรู้ตัวเองดีกว่าแต่ว่าเราเองต้องรู้ตัวเองดีกว่าเราจะทําแบบไหนณตรงนั้นเมื่อก่อนไม่เข้าใจนั่นนก็คือตรงเนี้ยนะชีวิตเราก็พอไม่เข้าใจชีวิตเราเองเราก็เดินไปสเปะสปะอยากทํานั่นคิดว่าอันนั้นดีนั้งก็ทําคิดว่าอันนี้ดีก็ทําพอทําแล้วก็มันก็ไม่ได้มีผลดีตามที่คิดพอคิดแบบนั้นก็คิดท้อใจไปอีกอะไรต่างๆนาน า, นานเหล่านี้ ตรงเนี้ยหลวงพ่อเขมเขียนก็บอกนะบอกว่าอย่าเชื่อความคิดนะคําว่าอย่าเชื่อความคิดเนี่ยตรงเนี้ยชัดเจนมากเลยนะเพราะว่านั่นคือเราคิดว่ายอย่างนี้ดีเราก็ทนะํานื่อเราก็เชื่อความคิดแล้วนะพอคิดท้อใจเราก็ไม่ทนะํานื่อเราก็เชื่อความคิด อ, อีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยให้พวกเราเนี่ยก็ได้ลองสังเกตเนาะการที่หลวงพ่อเทียนเนาะได้พูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวตรงเนี้ยหลวงพ่อเทียนก็จะบอกพวกเราแต่แรกเลยนะให้พวกเราเนี่ยเนาะ แบบว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวเนี่ยเอาใจหมังคอยรับรู้เมื่อกายเคลื่อนไหวเนี่ยเอาใจหมังคอยรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดเนี่ยอย่าเพิ่งไปสนใจนะกลับมารู้ก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นในความคิดเนี่ยอย่าเพิ่งสนใจคิดแล้วก็กลับมาไม่เป็นไรคิดอะไรก็ช่างมันอย่าไปดูว่าคิดอะไรนะกลับมาก่อนตรงเนี้ยนี่ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นกุญแจสําคัญเนาะกับการปฏิบัติธรรมของเราการที่เราแบบว่าละทิ้งความคิดไปซะเนี่ยตรงเนี้ย เราก็จะเลิกถูกความคิดชักจูงไปอย่างที่หลวงพ่อเขียนบอกว่าเมื่อก่อนเราเชื่อความคิดเราลองสังเกตดูลองทบทวนดูก็ได้ถ้าหากว่าความคิดทุกความคิดที่เราเคยเชื่ออยู่เนี่ยเนาะมันทำให้เราท้อใจบ้างมันทำให้เราย่ำใจบ้างอะไรต่างๆนานาตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าความคิดเมื่อก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นก็ถือมันทาให้เราเกิดการกระทํา เกิดการกระทำตามความคิดไม่ชอบคนนี้ก็ไม่พูดกับคนนี้นะชอบคนนั้นก็เข้าไปหาคนนั้นอะไรต่างๆนานาตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราเนี่ยวุ่นวายแต่ว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรากลับมามีสติเนาะไม่ทําตามใจชอบเนาะทตามสมควรเนาะให้สติคอยดูแลกายคอยดู แ, แลอะแลใจเราเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ชีวิตเราก็จะเดินเขาเรียกว่าไม่หลงทิศปิดทางถ้าทางเดินของชีวิตเราเนี่ย ก็จะตรงไปถึงสิ่งที่เราเรียกว่าเราได้ทํากิจที่สมควรทําเมื่อทํากิจที่สมควรทําเนี่ยกิจนั้นก็จะสําเร็จลงแน่นอนก็มั่นใจว่าพวกเราเนี่ยได้มาฝึกเนาะก็เรียกว่าฝึกความรู้สึกตัวกันฝึกสิบจังหวะกันฝึกเดินจงกรมกันตรงเนี้ยนะเราเรียกว่าฝึกที่จะให้มีสติทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยและท้ายที่สุดสติตรงเนี้ยจะเป็นสติที่เข้มแข็งแล้วก็พาพวกเราเนี่ย ไปถึงก็เรียกว่าจุดที่ไม่ทุกข์ด้วยกันทุกคนก็พวกเรากราบพระพร้อมกัน